อันประกเคนปเคนหลวงพ่อเจ้าคุณมาใหม่ค่ณมาใหม่ด้วยกับอาจาย์ที่มาน้องแข็งส่งน้องแข็งดเล ย, ยเออของอยู่ของฉันเยอะแยะ ของบำรุงกายของบำรุงกายโม้งร่างกายเนี่ยบำรุงมากมายแล้ว อันนี้สามทุ่มต้องเลิกใช่ไหมนี <c> ่ <oughs> เดี๋ยวแห้งลึกกลับไปแล้วบะ่ะพอยังอยูจะถึงอะไบัลลบือเกินสี่ทุ่มแล้วได้ยี่สิบนาทีถึงไหมยี่สิบนาทีถึงบัลลบือ <c oughs> ก็จะเงินหนึ่งหมื่นต้องขึ้นธรรมาแล้วนะ ไม่ต้องขึ้นธรรมะก็ได้ไม่ต้องขึ้นธรรมาหรอกพูดธรรมะพูดอยู่ตรงนี้แหละสะดวกอยู่ตรงนี้แหละอา้าวฉันน้ำจ้ะบำบัดบำบัดเวทนากายโดยถาดถาดน้าอาศัยถาดน้า น, น้ำไฟลมมันอาศัยกันบัดนุนกันอัตธรรมรสชาติของธรรมเนี่ยเป็นรสชาติที่เหนือรสอย่างอื่นท่านจึงว่าสภาวะโสธรรมะระสังชินาติรสของธรรมชนะ รสท้งปวงรสชาติของสติสติธรรมนะสติถ้ามันต่อเนื่องกันมันมีรสมีชาติสติความระลึกรู้กอสติธรรมอยู่ที่ไหนสติธรรม อยู่ที่ใจของเรานี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นไม่ได้อยู่ในตู้ในหีบในตํำรับตําราที่ไหนอยู่ในหีบก็หีบจิตหีบใจเรานี่เองอยู่ในพระคำพี์ใหญ่คำภีใจใจเป็นคำพีใหญ่ใจเป็นตู้พระไตรปิฎก อย่ในใจรวมอยู่นี่ทั้งหมดธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าได้นํามาประกาศสอนเป็นเรื่องพระสูตรเรื่องพราวินยัยเรื่องป ร, ม, ปรมัติธรรมก็เป็นเรื่องกายเรื่องใจโดยเฉพาะพระสูตรก็เป็นเรื่องยก อุทาหอนเรื่องบุคคลนั่นคนนี้พระวินัยก็เป็นเรื่องที่บอกเหตุที่จะให้เกิดทุกข์เกิดความไม่สงบสุขเกิดความร้อนร้อนวุ่นวายแล้วก็ไม่ให้กระทำนั่นเป็นเรื่องพระวินยัยเรื่องพระสูตรพระประมาิยรวมแปดหมื่นสีพัน พระธรรมขันธ์นี่ในพระสูตรอในในใ น, ในตําราที่ท่านบอกว่าในพระไตรปิฎกสามปิฎกแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็ออกมาจากเรื่องของกายกับใจนี่เองอีิธรรมปิฎกเป็นเรื่องของใจเรื่องของนามธรรมรูปธรรมนามธรรม เรื่องของกายกับใจนี่ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลที่ไหน <c oughs> นี่เมื่อเป็นเช่นนี้เรงว่ารสชาติของธรรมะ <c oughs> รสชาติของความมีสติสติก่อนละลึกรู้ที่ใจนี่เองไม่ได้ละลึกรู้ที่อื่น สติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสตินี่ถ้าเราตั้งสติเรามีความจงใจจดจอ่อมีสติความระลึกรู้เป็นคู่ของใจให้มันต่อเนื่องกันในทุกขณนะจิตสติเป็นธรรม เครื่องละลึ ก, ละ ล, กละลึกละลึกรู้ละลึกรู้ละลึกรู้ถ้าขาดความละลึกรูกก้เรียกว่าประมาทนี่ประมาทขาดสติขาดธรรมะถ้ามันขาดคาดเคิรนอยู่มันไม่มีรสชาติไม่เรียกว่าสติสัมปชัญญะถ้ามันต่อเนื่องกันมันจึงเป็นสติสัมปชัญญะ ทั้งละลึกรูทั้งรูตัวคือระลึกรูต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันสุดท้ายกับกายเป็นความรูตัวนี่มันไม่เป็นความละลึกที่นี่การละลึกเป็นขณะขณะขณะเมื่อกลายเป็นความรูตัวเพราะความละลึกรูต่อเนื่องกันมั่นอย่าเป็นสัมปชัญญะนี่เมื่อสติ เป็นสติสัมปชัญญะมันจะมีรสชาติมีความรู้ อ, อบอิ่นซุ้มชื่นเรียกว่ามีรสมีชาติต่อเนื่องกันเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์รูปประโยช น, ยชน์ได้รับประโยชน์ในเรื่องของธรรมะคือสติต่อเนื่องกัน นมสติต่อเนื่องกันจึงไม่มีอิริยาบถไม่มียืนไม่มีเดินไม่มีนั่งไม่มีนอนไม่มีกินไม่มีดื่มไม่มีทําไม่มีพูดไม่มีคิดอะไรมันต่อเนื่องกันเป็นปัจจุบันปัจจุบันจะรู้สึกความแปลกประหลาดเกิดขึ้นในจิตในความรู้ของเราที่เรื่องของที่สติมันต่อเนื่องกัน มันจะมีความเบาความสบายมีความสดชื่นนี่รสชาติของสติธรรมนี่นะที่มันต่อเนื่องกันแล้วมันก็จะกลายเป็นความมั่นคงนี่ที่ว่าสมาธินี่รสชาติของความเป็นสมาธิธรรม จิตที่มีความระลึกลูกล่ลต่อเนื่องกันเนี่รวมเข้าเป็นความสงบขาดจากสัญญาอารมณ์ภายนอกเข้าเป็นความรู้อยู่เฉพาะผู้รู้ภายในเนี่ยเนี่ยยิ่งมีความสุขมีความดูดดื่มีมความเบาเมความสบายต่างจากที่ เราไม่เคยเป็นต่างจากกิจที่ยังไม่ได้ฝึกให้มีสติต่อเนื่องจนรวมเข้าเป็นสมาธิความมั่นคงของใจหรือความตั้งมั่นของใจในี่รสชาติของสมาธิทำรร ม, มีความสุขมีความเบิกบาน ยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหนที่ไหนอิริยาบทอะไรจะมีความสุขมีความรู้ความตื่นความเบิกบานด้วยรสชาติแหง่งสมาธิธรรมจริงว่าไม่มีความสุขความสุขเกิดจากจิต รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือมีฐานแห่งความรู้ไม่ได้เผอมาได้เอ็นเอียงเผอเรอไปหลงตามสมมติบัญญัติของสัญญาสังคาญความจำได้เรื่องโน้นเรื่องนี้ความนึกคิดปรุงเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดไม่ได้เผอไม่ได้รอยอารมณ์ไปตามเนี่ยมันทรงความเป็น ห่งสงความเป็นตัวของตัวเองอยู่เป็นปัจจุบันมีรสชาติมีความสุขอันนี้ว่าความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี <c oughs> ่รสชาติของสมาธิธรรมรสชาติของปัญญาธรรมปัญญาความแยกแยะความแยกแยะความกําหนดลู่ให้ควร ในปัจจุบันนั่นแหละรู้เท่าในขณะจิตปัจจุบันท้ามีสิ่งที่สัมผัสเข้ามาเป็นสิ่งสัมผัสจากเหตุเพราะตาเห็นหูได้ยินรินสัมผัสรสกายถูกต้องความเย็นความร้อนนี่เรียกว่าสัมผัสทางอายตนะ ตาหูจมูกริ้นกายใจอายต น, นะ 6, หกเรืออายต น, นะสิบสองคือภายในภายในหกภายในก็เหมือหมายถึงภายในกายเรานี่แหละอืคือตานี่ก็อยู่ในกายของเราหูอก็อยู่ที่กายของเราจมูกริ้นกายใจก็ฝังอยู่ในกายเรานี่แหละซึมซาบอยู่ในกายเนี่ย วิญญาณความรับรู้ทางใจรับรู้ทางหูก็มันสัมผัสสัมพันธ์อยู่ด้วยกันนี่เด้อภายในหกภายนอกที่มากระทบรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดแล้วก็สัมผัสกับใจนี่ท่านเรียกท่านแยกลักษณะออกไปเป็นภายในหกเป็นภายนอกหกลวนเป็นอายตนาสิบสอง มันเป็นบ่อเกิดของความหลงหลงก็หลงนี่แหละเห็นรูปแล้วก็หลงหลงรักหลงชังหลงชอบหลงเบียดหลงโกรธขึ้นมามันหลงอยู่ในนี่หลงอยู่ในภัทธสัอาณจกหน้าหกนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีปัญญารู้เท่าทัน รอบครอบรู้เท่ารู้ทันแล้วก็เห็นว่ามันเพียงมันเป็นเพียงอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนี่เรียกว่า ร, วรู้ด้วยใจรู้ด้วยใจเห็นด้วยปัญญา <c oughs> ทั้งรู้ทั้งเห็นรู้เห็นความจริงด้วยปัญญาอะมันไม่หลงมันไม่หลงมันก็ไม่ ยึดไม่ติดก็ไม่เป็นอารมณ์ให้ต้องไปนึกไปคิดไปโกรธไปเปลียดเข้าใจความจริงแล้วมันก็เป็นธรรมชาติลงสู่ธรรมชาติแห่งความรูกของใจสัมผัสว่าตาสัมผัสรูปเห็นรูปว่ารูปไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่หลงต่อไปก็สักเพียงแต่ว่าเห็นเห็นแล้วมันก็ผ่านไป สัมผัสเสียงก็ซาเพียงแต่สัมผัสแล้วก็ผ่านไปมันก็ไม่มีอะไรสัมผัสลถก็ผ่านไปความเย็นร้อนสัมผัสกายก็ผ่านไปอารมณ์อดีตอนาคตมันเกิดขึ้นสัมผัสใจก็ผ่านไปนี่เป็นเพียงแต่ว่าเกิดดับเกิดดับทา่านเึียว่าให้รู้ความเกิดดับด้วยปัญญา เมื่อมีปัญญาตั้งท่าตั้งทางรอบรู้อยู่แล้วมันก็เข้าใจความจริงเมื่อเข้าใจความจริงมันก็รู้เพียงว่าเกิดดับเกิดดับคือสัมผัสแวกผ่านไปสัมผัสแ้วก็ผ่านไ ป, มน ไ, ปไม่ได้หลงเมื่อมันไม่หลงมันก็ไม่ไปปรุงไปแต่งไปวิพากษ์วิจารณ์ไปให้ไปควรให้เกิดความรักความชอบใจหรือความโกรธความเกลียดความไม่พอใจอะไร เนี่ยมันไม่เป็นกิริยาแห่งกิเลสไม่เป็นกิริยาแห่งความหลงมันก็สบายเขาเป็นปกตินี่รสชาติแห่งปัญญารู้เท่าทันแล้ววางว่างไม่โกรธไม่เกลียดไม่วุ่นวายสายแส่เดี๋ยเป็นมิแต่ธรรมชาติรู้ระวงรู้ระวาง นี่รสชาติของปัญญา <c oughs> นี่แหละธรรมะคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมไม่มีอะไรหรอกเครื่องดำเนินเครื่องรอบรู้เครื่องรักษาใจ <c oughs> เพื่อไม่ให้ใจลหลงหรล่าร้อนถ้ามันหลงมันเรอาร้อน <c oughs> มันเห็นผิดคิดผิดมันก็ทำผิดทำผิดทาผิดแล้วมันก็เป็นโทษร้อนกายร้อนใจเนี่ยมันผิดเฉพาะตัวแล้วมันก็ผิดออกไปข้างนอกออกไปอีกเพราะฉะนั้นธรรมะผู้ควรกับใจหรือธรรมะเป็นเครื่อง อบรมใจหรือลูกขึ้นมาที่ใจลูกขึ้นมาที่ใจธรรมะเป็นนิยานิกรทธรรมนำออกเสือซึ่งทุกเนสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมหรือศีลทานภาวนา สิ่งทั้งหลายเหล่านี้อาศัยเกิดที่กายกับใจที่นี่จึงให้มารูกายรูใจของเราเรากำหนดภาวนามีสติกำหนดรูความรู้คือใจเป็นนามธรรมาไม่มีตัวตนก็เอามารูรอบรูในกายความเคลื่อนไหวทางกาย เคลื่อนไหวทางอายตนะการสัมสัมผัสสัมพันธ์กันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอาธรรมะเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องรอบรู้นี่จึงว่าเรื่ยงของธรรมะการปฏิบัติธรรมม <c oughs> ีกายกับใจเป็นฐานของธรรม เป็นก้อนทรรมนามธรรมจึงต้องศึกษาธรรมะที่กายกับใจส่วนภายนอกที่เราศึกษาที่เรารู้มานั่นเป็นแบบแปนแผ่นผังเป็นแบบแปนแผ่นผังเมื่อรูปแบบแปนแผ่นผังแล้วที่จะทำให้เป็นธรรมเป็นสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรม ทำให้เกิดให้เป็นที่กายที่ใจหรือกายว่าจจใจปฏิบัติต่อกายให้เป็นธรรมว่าใาให้เป็นธรรมจิตใจให้เป็นธรมรมคือเป็นความรูดตัวเป็นความจริงในตัวของตัวเองเมื่อมีสติมีสมาธิมีความ ระลึกรู้สติมีความมั่นใจตั้งใจมั่นรู้รอบรู้ในกายกับใจเลยก็จะทำให้เกิดความสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจเมื่อกายวาจาใจมีธรรมะคือความสุจริตไม่ตกเป็นธาตุของความทุจริต ซึ่งเกิดอยู่ในจุดเดียวกันมีใจเป็นผู้รู้มีใจเป็นแดนเกิดความสุจริตก็เกิดที่ใจความทุจริตก็เกิดที่ใจเกิดที่กายทุจริตเกิดที่กายสุจริตก็เกิดที่กายนี่มันอยู่ในที่นี่มันไม่ได้อยู่ที่อื่นนี่อาศัยธรรมะความ รู้แจ้งความรู้รอบในเหตุในผล เ, เรียกว่าขัดเกลาขัดเกลาสิ่งที่พออคุณหรือสิ่งที่เกาะเกี่ยวอยู่กับใจที่ว่าความโรคโรคโกรธหลงมันเป็นอาการแต่ละอย่างละอย่างนันก็เกิดที่ใจเกิดอยู่ที่ใจนี่ นี่เอาศัยปฏิบัติให้เป็นผู้มีสติความระลึกรู้ต่อเนื่องกันจนเป็นฐานความมั่นคงของใจเรือสมาธิแล้วก็ชำนาญในการไข้ควรรู้รอบเหตุและผลนี่จะเป็นเครื่อง พุ้มกันไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นความหลงไม่เกิดมีความรู้รู้รอบรู้ตื่นรู้โทษรู้คุณเนี่ยเมื่อมีความรู้ก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงก็ไม่ไม่ตกเป็นทาตของความอยากไม่ตกเป็นทาตของความหลง ความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นความโลภ ก, ก็ไม่เกิดขึ้นความอยากในสิ่งที่จะเป็นโทษก็ไม่เกิดหรือเกิดก็รู้เท่าทันก็ไม่ทำไม่ทำในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่เป็นโทษก็จึงจะเข้ากับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าให้ละบา ทำความดีสำระจิตใจรอบรู้จิตใจให้มีความเบิกบานห่องใสในอารมณ์ที่เป็นธรรมถ้าไม่อย่างนั้นอารมณ์ที่ไม่เป็นธรรมอารมณ์ที่ขุนมัวนั้นจะเข้าค้อบ ง, งำแล้วก็จะไปหลงนึกหลงคิดหลงละลึกรู้อยู่กับเรื่องที่ให้เกิดความเศร้าหมองนั่น นี่จับธรรมะให้ได้เข้าใจธรรมะคือกายกับใจศึกษาเข้ามาในที่นี่ด้วยความเอาใจใส่ด้วยความจงใจนี่แหละภาวนาคือการทำให้เกิดขึ้น ด้วยความรู้สึกนึกคิดด้วยสติปัญญาก็มารู้สึกนึกคิดมาแล้วลึกรู้รอบรู้ที่ความรู้คือใจของเรานี่เมื่อมันมารู้แล้วมันปฏิวัติผลผลคือความปล่อยวางผลคือความว่าง ที่ท่านว่าทำใจให้วางว่างว่างจากความอยากว่างจากสัญญารมต่างๆเมื่อ <c oughs> เราทาเหตุให้สมบูรณ์แล้วความว่างนันมันเป็นผลว่างวางด้วยเหตุและผลคือว่างวางด้วยปัญญาว่างวางด้วยปัญญาด้วยสติสมาธิปัญญา นี่มันจึงจะวางได้มันจึงจะว่างได้เพราะฉะนั้นมรรคคือการดำเนินเรียกว่าเป็นเหตุการกำหนดรู้การจงใจอย่างศีลเราสมทานศีลก็มารู้เรียกว่า คำว่าศีลสมมติคาว่าศีลศีลมันเป็นความปกติจิตที่ไม่สายแสจิตที่ไม่สายแสจิตก็มีความเยือกเย็นมีความหนักแน่นผู้มีศีลสมบูรณ์ก็ประกอบด้วยสติสมาธิและก็ประกอบด้วยปัญญาที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วย สามอย่างนี้ทำงานร่วมกันไม่ได้แยกเป็นอันใดอันหนึ่งสติสมาธิปัญญาทำงานร่วมกันประชุมรวมลงที่ใจอันเดียวเพราะฉะนั้นจึงคุ้มกันไม่ให้เกิดความทุจริตทางกายทางวาจาและทุจริตทางใจจึงเป็นความสุจริตทางกายทางวาจาและทางใจ เพราะสิ่งที่เป็นโทษโดยศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนว่าการฆ่าการรักการปรกุดผิดการหลอกลวงอำพางการนำสิ่งที่มอมเมาเข้ามาเพิ่มเติมในส่วนประสาทส่วนกายของเรา คือธรรมดาเฉพาะเรื่องของจิตเรื่องของสัญญาสังขารความนึกคิดปรุงแต่งความจำเนี่ยมันจำด้วยความไม่มีสติจำด้วยความหลงนึกคิดปรุงด้วยความหลงมันก็เป็นความเมาในจิตอยู่แล้วซ้ำยังหาสิ่งที่มาค้อบงามากระตุ้น ส่วนประสาทของกายซึ่งซึ่งมันเป็นสภาวะที่สัมผัสกันระหว่างใจหรือว่ารูปกับนามที่ท่านเรียกว่าประสาทรูปหรือว่าสมองประสาทต่างๆเมื่อมีสิ่งที่มันกดดันกันมันก็ทำให้วิปริตไปได้ นี่เพราะนั้นท่านจึงให้ทำความสุจริตทางกายคือไม่นำเข้ามาดื่มกินเพิ่มเติมเข้าไปนี่จึงเป็นความสุจริตทางกายความสุจริตทางวาจา <c oughs> ก็ไม่กล่าวไม่พูดสิ่งที่ จะเป็นเหตุให้เกิดความกระทบกระเทือนเกิดความวุ่นวายสายแสเดือดร้อนของต่อตัวเองและบุคคลอื่นอันจึงเดืททำความสุดจิตทางกายไม่พูดสิ่งที่เป็นโทษไม่พูดสิ่งที่จะนำไปสู่ความแตกเล่าสามัคคีให้เกิดความสับสน วุ่นวายหลงผิด ใ, ในส่วนวาจาส่วนจิตใจเราก็ควบคุมด้วยปัญญาให้ควรแยกแยะด้วยเหตุและผลให้เข้าใจสภาวะทั้งหลายตามเป็นจริงไม่หลงสัญญาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาไม่หลงสังขารไม่หลงหลูกหลงกายไม่หลงเวทนา สัญญาอเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลรู้ความจริงว่ามันเป็นเพียงอาการอันหนึ่งที่อาศัยกายกับใจนี่แหละเกิดขึ้นจึงมีสัญญาจึงมีสังขาจรจึงมีเวทนาอเนี่ยเรียกว่าเข้าใจด้วยปัญญาอเมื่อมีปัญญารู้รอบรู้เท่าทันก็ เ, เป็นความสุจริต ทางจิตใจได้ความนึกความคิดอันไหนเป็นความทุจริตก็จะเข้าใจก็ เ, เห็นโทษอันไหนเป็นการนึกคิดในทางสุจริตเขาเรียกว่าเป็นธรรมนึกคิดแล้วก็อเอื้อปอีมเออบิกบานจิตใจนี่จึงเรียกว่ากายวาจาใจรวมลงสู่ความเป็นธรรมเป็นความสุจริตแล้วทำให้เกิดความสุขกายสบายใจ ไม่มีโทษไม่มีภยัยนี่เป็นธรรมะปฏิบัติคือจะต้องปฏิบัติให้เกิดให้เป็นภายในกายวาจาใจของเราไม่ใช่ว่าจะศึกษาเพียงแต่ว่ารู้อันนั้นเป็นศีลอันนั้นเป็นสมาธิอันนั้นเป็นปัญญารูปนามกายใจอันนั้นต้องปล่อยอันนั้นต้องวางอย่างงู่อนอย่างนี้ นั่นเป็นการเรียนรู้เรื่องแปลนแบบแปลนแผนผังเฉยๆที่จะเอาความจริงนั่นนี่แหละสติตั้งลงไปกำหนดรูปลงที่ใจเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี่เพราะฉะนั้นจึงมีการปฏิบัติจิตภาวนา คือการสร้างพลังแห่งสติสัมปชัญญะนี่แหละมีความสำรวมก็เป็นการสร้างศีลศีลคือสติสมบูรณ์บริบูรณ์นีอ่อย่าไปคิดว่าอยู่ข้างนอกอยู่ที่ข้างล่างข้างบนข้าง้ายข้างขวา อย่าไปคิดว่าสวรรค์นิพพานก็อยู่ข้างบนอากาศนรกหมกไหมอะไรอยู่ใต้ลงไปมันไม่มีอะไรที่จะไปสู่สวรรค์สู่นิพพานไปสู่นรกหมกไหมเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานใจอันนี้แหละใจอันเดียวนี่แหละวนเวียนเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปสู่ คบนั่นภูมินี่หลงยึดมั่นถือมั่นไปคือหลง อ, อ, อยู่ในตัวนี่แหละนี่จึงต้องมาสร้างให้เกิดความรู้ด้วยการประพฤติปฏิบัติกิตตภาวนาหรือว่าศีล น, นับไปตั้งแต่ศีลเมือ่อเรารับแล้วก็มีเกตนาก็มีความสํารวมเน่น พอมีความสำรวมเป็นเรื่องสติแ ล, และลึกต่อเนื่องกันไม่ขาดว่าขาดตอนก็เป็นความมั่นคงของใจที่ท่านสมมุติเรียกว่าสมาธิความตั้งมั่นหรือว่าความรวมของใจที่ท่านบอกไว้คันนกะสมาธิอุปจารสมาธิอปปนาสมาธิ นันท่านบอกอาการของจิตที่มันตั้งมั่นแน่วแน่ตั้งมั่นพอนิดๆหน่อยๆแล้วก็วกแวก ว, วงมแวมนั่นท่านเรียกว่าคณิกะคือมันเป็นขณะขณะมันยังไม่ต่อเนื่องถ้ามันต่อเนื่องกันเป็นระยะยาวไปสักหน่อยท่านก็เรียก ว, ว่า อุปจาระคือเมื่อมันรวมเป็นหนึ่งแล้วมันออกรูหรือเกิดนิมิตเกิดนิมิตเกิดแสงสว่างเกิดการรู้เห็นเรื่องอะไรต่างๆนั่นเป็นอุปจาระสมาธิส่วนอัปปนาสมาธินี่มันเหมือนกันกับเรานอนหลับสนิทเวลาเรานอนหลับสนิทไม่ฝันไม่อะไรนมีแต่ความ ลงสู่ความหลับแท้จริงรู้เสึอมีความสุขตื่นขึ้นมาเพรู้เสือโอ้หลับสนิทดีมีความสุขมีอาการของอัปปนาสมาธิคือมันลงมันสงบรวมลงด้วยสติความรู้ความระลึกรู้ว่ามันเป็นขณะหรือว่ามันลึกลงไป เป็นระยะกลางๆหรือมันละเอียดลงไปจนไม่มีตัวไม่มีตนมี่แต่ความรู้อันเดียวเด่นอยู่นั่นไม่มีการรับรู้ทางหูทางกายอะไรไม่มีความสัมผัสเวทนาสัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่มีมีแต่ความรู้ที่เป็นหนึ่งแน่วแน่อยู่นั่น น, นี่เป็นอาการที่ท่านบอกไว้แล้วที่ที่มันจะที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็คือต้องเกิดจากเหตุคือการกระทำของเราการกระทำของจิตนี่แหละการอบรมจิต ด, ด้วยความจงใจด้วยสติกาหนดรู้นี่แหละนี่ให้มาเอาส่วนนี้ การปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติต่อใจมาสร้างสติสัมปชัญญะเป็นผู้ไม่ทอดทุละในเรื่องของใจใจนี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลแล้วปัญหาทั้งหลายรวมอยู่ที่ใจจะแก้ปัญหาก็แก้ที่ใจสุขทุกข์เกิดที่ใจจะสงบระงับทั้งสุขทั้งทุกข์ก็ต้องสงบลงที่ใจ ถ้าหากว่าส่งไปที่อื่นเห็นไปที่อื่นมองดูไปที่อื่นอันนั้นไม่ถูกไม่ถูกจุดหมายไม่ถูกที่ไม่ถูกธรรมที่แท้จริงเมื่อใจของเราเนี่ยประชุมแห่งธรรมคือสติสมาธิปัญญาลงไปแล้ว มันมีคุณค่ามหาศาลอันคุณค่าสมมุติภายนอกเนี่ยไปสมมุติกันว่าอันนั้นมีคุณค่าอันนี้มีคุณค่ามันก็เป็นเรื่องความเข้าไปสำคัญมั่นหมายไปสมมุติไปรูปไปรับรองด้วยความหลงต่างหากไม่เป็นคุณค่าอันแท้จริงเมื่อมันรูเข้ามาที่จิตที่ใจแล้วมัน มาเห็นใจเห็นจิตเห็นใจเห็นความรู้นี่เลยลงสู่เหลือแต่ความรู้วันเดียวยิ่งมันวางด้วยปัญญาธรรมแล้วทั้งรู้ทั้งเห็นเนี่ยมันหมดความหวงความอะไรหมดความยึดความติดความยึดมั่นถือมั่นมันความรู้อันนี้เป็นตัวของตัวเองนั่นก็เป็นปัจจตัง รู้เฉพาะตนเป็นผลเฉพาะตนนั่นอะ่ะยิ่งมีคุณค่ามากใจไม่สายแสวุ่นวายใจไม่ทุกข์ใจเป็นปกติใจเป็นอุเบกขาคืออยู่เป็นกลางๆางเฉพาะใจที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนถานว่าทำใจให้เป็นกลาง คืออยู่เป็นกลางๆไม่ไปสัมปยุตไม่ไปหลงในสุขในทุกในเฉยๆ เ, เวทนาสามไม่ไปหลงเพราะสัญญาสังขารมันเป็นตัวของตัวเองอยู่เป็นกลางๆนั่นท่านถึงว่าพ้นจากทุกเพราะทุกมันเกิดเพราะความเห็นผิดเกิดเพราะความเห็นผิดแล้วก็ไปยึดก็เกิดความ คับแค้นใจดีใจเสียใจนะชาติปิทุกขาทุกเพราะการเกิดขึ้นแห่งรูปแห่งกายก็ดีหรือทุกเพราะการเกิดขึ้นแห่งอารมณ์ที่ไปหลงอดีตอนาคตมันก็เป็นทุกนี่ท่านนึงว่าการเกิดเป็นทุกชาติปิทุกขหาชาราปิทุขขัง ชราคือความแก่ความแก่ของกายเนี่ยความแก่ความค่ําค่าความหมดเลี้ยวหมดแรงของกายเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้สัมผัสความเหน็ดความเหนื่อยความเหมื่อยความหิวก็เป็นทุกข์อีกมันําปีดูขังการที่จะเจ็บป่วยที่จะตายที่จะทิ้งขันอันนี้แหละมันกระเสือกกระสนอยู่ด้วยเวทนานก็เป็นทุกข์ โศกะเกิดความโศกความเสียใจก็ทุกข์แหละถ้าไม่โศกไม่เสียใจเป็นปกติอยู่ไม่เป็นทุกข์โศกอริเทวโทมนั์เนี่ยเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นเมื่อมันเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆแล้วด้วยปัญญาด้วยความเห็นชอบมันก็ไม่ทุกข์ ก็ยอมรับความจริงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเข้าใจไม่ใช่จำไม่ใช่จำถ้าจำเฉยๆทุกไม่สิ้นไปไม่ขาดไปแต่เข้าใจความจริงทุกที่มีอยู่ที่เคยอัดอั้นตันใจที่เคยหนักหน่วงอยู่มันจะโล่งโปรงสบายไปเรย น, นั่นเรียก ว, ว่าเข้าถึงความจริง นี่แหละไม่มีสิ่งใดถ้าพูดถึงคุณค่าไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่ายิ่งไปกว่าใจพูดถึงธรรมะไม่มีทรรมอะไรที่จะทำให้มีความเบาความสบายความสุขสบายยิ่งไปกว่าสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรม อันนี้ต้องทำให้เกิดให้มีต้องปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติจึงจะมีผลต้องทำเองปฏิบัติเองแล้วก็จะสัมผัสธรรมะ <c oughs> ตามความเป็นจริงนั่นได้เองต่อไปก <c oughs> ำหนดทำความสงบ อยู่ที่ใจอย่ากดอย่ากเก่งเพ่งให้สบายสบายถ้ากดเก่งมันไปบังคับประสาททางกายตั้งสติระลึกรู้เป็นธรรมชาติด้วยความไม่เผลอเท่านั้นแหละ การลึกรู้ต่อเนื่องต่อเนื่องกันไปกดไปเกง่งไปกัน้นไปบังคับประสาทมันทำให้เกิดความวิปริตทางธาตุทางประสาทธาต พรรู้ใจถ้าพุทโธกับใจคงตื่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีทุกข์รู้ตื่นรู้ตื่นเบิกบานด้วยสติ รึกรูเป็นคู่ของใจใจสบายใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนก็ไม่มีอะไรร้อนไม่มีอะไรทุกข์สุขหรือทุกข์เป็นเรื่องความหลงยึดหลงถือหลงสุขถือว่าความสุขเป็นของเรา ก็ต้องการความสุขเปรียดความทุกข์แล่งยิ้ว่าทุกข์เป็นของเราเปลียดความทุกข์อยากให้มีแต่ความสุขก็เลยเป็นสองฝั่งสองขั้วเนี่ยเมื่อรู้เท่าความสุขและทุกข์ความรู้ผู้รู้อยู่เป็นกลางๆจึงวแบบ่าไม่มีสุขไม่มีทุกข์ ใจเป็นกลางๆนี่เป็นความสุขอันแท้จริงเพราะฉะนั้นเอาพุโทโธคำวิกรรมความรู้คือจจัยนี่แหละให้เป็นหลักกำหนดเวลามันวุ่นวายเรื่องโน้นเรื่องนี่ทำจิตการงานาวางก็กำหนดเข้ามา รู้ภายในมีเกวาเข้ามาพักภายในให้มีกำลังแล้วก็ แ, วแล้วจะไปรู้ไปดูเรื่องภายนอกก็พิจารณาด้วยปัญญาเป็นควจะเข้าใจว่าไม่เที่ยงทนอยู่ได้ยากไม่ใช่ตัวตนเข้าใจด้วยปัญญาของเราเอง รใจด้วยปัญญาแล้วมันก็วางก็วางมันก็ว่างทำการทำงานก็ทำด้วยความว่างทำด้วยการรู้ด้วยความไม่ทุกข์แต่ต้องทำงานตามสมมุติจะนึกจะคิดเรื่องการเรื่องงานแล้วก็นึกก็คิดแต่มีทำเป็นเครื่องอยู่คือสติปัญญาเครื่องรอบรู้รอบคอบ นี่นก็รูล้ละรู้วางได้รู้พักพรทํางานแต่เข้ามาภายในสงบรู้อยู่ที่ใจอันเดียวอันก็เป็นความสุขสบายด้วยการพักพรอนเสร็จแล้วก็ไรู้ภายนอกไปนึกไปคิดไปจดไปจําอะไรเรื่องอะไรต่ออะไรก็ทํางานไปตามหน้าที่ของสัญญาสังขาร ทำด้วยความรู้ด้วยความไม่หลงก็ไม่เป็นทุกข์นี่ปฏิบัติสมถะธรรมวิปัสนาธรรมคือฝึกจิตความรู้ของเราให้รู้พักผ่อนให้รู้สงบให้รู้การวิจัยวิจารณิติจารณาท่านที่ว่าน้อมเข้าภายในแอบออกรู้ภายนอก รู้เข้าภายใ น, ในเมื่อมันถึงพร้อมด้วยกำลังหลังแหงสติสมาธิปัญญาที่มีกำลังแล้วเป็นปกติเป็นปกติกตของความรู้ ความรู้นี่ไม่ได้เป็นธาตุของความโลภโกรธหลงไม่ได้เป็นธาตุของความอยากที่ท่านเรียกว่าตัญหาตัญหาทาสุเท่าเพลเรืความรู้นี่ก็ตกเป็นธาตุของความอยากความอยากคอบงำบังคับความรู้ก็เป็นทุกข์รวมความรู้เป็นพลัง เป็นอิสระเป็นอำนาจของตัวเองเ่ยยูเหนือความอยากความโรคโกดหลงสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอาการเกิดขึ้นที่ใจที่ผู้รู้เนี่ยรู้เท่าทนันมันก็สงบไป <c oughs> เดลือแต่ความ เป็นธรรมคือใจนี่แหละการประพฤติปฏิบัติธรรมะให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องฝึกกายฝึกใจของเราฝึกซ้อมสติสมาธิและปัญญาเหมือนกันกับเราสนใจ เรื่องอย่างอื่นแล้วฝึกทําจิตการงานอย่างอื่นเพื่อให้เกิดความสําเร็จให้มีผลสําเร็จให้ได้มากซึ่งตามความปรารถนาแล้วก็เอาออเอาใจใส่ทีนีการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเฉพาะจิตใจของเราก็เอา อกเอาใจใส่ไม่ทอดทุลักผลสุดท้ายก็จะประสบผลสำเร็จนำความเป็นอิสระนำความสุขอันแท้จริงเข้ามาสู่ใจของเราได้การอธิบายธรรมะ หรือนำประพฤตปฏิบัติธรรมเห็นว่าสมควรแก่กาลเวลายิงขอยุติไว้แต่เพียงแถวนี้เอวังก็มีด้วยประการชนีนี้